ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนอตอนที่ห้าบอดตอนสุดท้ายไม่มีหลวงตาไม่มีวันนี้โอวาทของหลวงตาในพิธีปิดโครงการช่วยชาติและวัตถุมงคลแห่งชาติ หลวงตา ม, มหาบัวเยนสันปโนได้ให้อว่าธรรมเอาไว้ว่าเป็นเด็กก็มีอัธยาศัยและประพฤติตัวดีเป็นที่รักของพ่อแม่เพื่อนฝูงเป็นหนุ่มก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงตัวแต่ในทางที่ดีในชอบเที่ยวในสถานที่ที่เป็นโรงสังหารมนุษย์ทั้งเป็นไม่เป็นหนุ่มลืมตัวเพลิดเพลินเทียนแจได้ทางอารมณ์ซึ่งเวลาถูกเบ็ดเกาะเข้าแล้วจะร้ายยิ่งกว่าปลา เราไม่ชีปลาต้องระวังตัวอย่าให้เบ็ดเกาะได้เป็นสาวก็พยายามประคองตัวกลัวความเสียหายไว้ให้มากนั่นแลดีไม่เป็นคนผ่าโผนโลดเต้นเมื่อพลาดท่าจะช้ำใจไปนานไม่เป็นคนใจ ง, ง่ายใครขอก็จ่ายไปให้ไปเวลาถูกเข้าโรงต้มตุนจะร้ายยิ่งกว่าปลาลงหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดพร่านควรเห็นใจตัวเรา เราเป็นสมบัติอันล้นค่าแห่งชีวิตพยายามรักษาไว้ด้วยดีทุกการสถานที่ไม่ประมาทถ้าเสียไปแล้วแก้ไม่หายแม้ตายไปแล้วชื่อเสียยังรบกวนโลกอยู่ต่อไปไม่สาบสูญไปอย่างง่ายดายเป็นสามีก็ไม่เป็นสามีเพชรคาตที่คอยแต่จะทำลายน้ำใจภริยาให้บอบช้ำขุนมวัวด้วยเรื่องต่างๆไม่มีประมาณแต่เป็นสามีคู่ชีวิต และพึ่งเป็นเพึ่งตายกันได้จริงๆเป็นภริยาก็ไม่เป็นภรรยาปากไวใจร้ายรังแจ่สามีประพฤติตัวเลี้วแหลกแหวกแนวแต่จับตัวไม่ค่อยได้ง่ายๆแต่เป็นภรรยาในลักษณะกระจกเงาใครเห็นก็ต้องชมเพราะแพราวไปด้วยมารยาทอัธยาศัยที่นุ่งนวลอ่อนหวานไปทุกอาการที่เคลื่อนไหวทั้งเป็นเหมือนแม่มีความรักสงสารสามีเหมือนแม่รักลูก ทั้งเป็นเหมือนน้องสาวที่มีความจงรักภักดีต่อสามีทั้งเป็นเหมือนมิตรเป็นมิตรตายฝากใจกันได้ประหนึ่งดวงใจอันเดียวกันหนังสือพิมพ์โพสต์ทุเดวันศุกร์ที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2546ได้ตีพิมพ์เอาไว้ว่าแถลงด้วยความชื่อมือนไปแล้วเมื่อคือนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการคืนหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ล่วงหน้าหนึ่งปี ลดแอคเซตรวนที่เคยผูกมัดมาตัา้ง แ, แต่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพุทธศักราช2540หลังการคืนหนี้เสร็จสิ้นไปแล้วเศรษฐกิจไทยยังคงแสดงความแข็งแกงร่งใยการที่มีเงินทุนสำรองของประเทศสะสมเกินพอจะทะลุ 40,000 ล้านดอลลาร์ในสิ้นปีขณะที่ยอดหนี้ต่างประเทศก็ลดโบห้าพเหลือแค่ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อนําทุนสำรองไปบวกกับเงินฝากของแบงก์พาณิชย์ต่างประเทศ หักออกจากยอดหนี้สินทั้งหมดหนี้สินของประเทศเหลือแค่ 1-2 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นพูดก็พูดเถอะที่ได้ภาคภูมิใจกันในวันนี้เห็นทีจะต้องระลึก ถ, ถึงองค์หลวงตามหาบุญยนิสัมปโนแห่งวัดป่าบันตากที่กล้าพูดได้เลยถ้าไม่มีหลวงตาก็ไม่มีวันนี้ลองย้อนกลับไปดูก็ได้เมื่อปีพุทธศักราช2543 รัฐบาลในขณะนั้นวางแผนจะใช้หนี้ IMF ล่วงหน้ามาแล้วครั้งหนึ่งขณะนั้นทุนสำรองเรามีอยู่ 3,141 ล้านดอลลาร์แต่แยกเป็นบัญชีฝ่ายการธนาคารที่เป็นสิทธิขาดจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เทียง 5,812 ล้านดอลลาร์ที่เหลืออีก 25,589 ล้านดอลลาร์อยู่ในบัญชีฝ่ายออกบัตรที่ใครจะเอาไปใช้ไม่ได้ ด้วยเหตุที่มีกฎหมายเฉพาะได้แจกพรบรเงินตร า, รตรา 5, ลิศสิทธ 2,505 ล็อกอยู่ห้ามเอาไปมั่วซั่วนี่แหละคือที่มาของคำว่าการรวมบัญชีที่จะมีการออกกฎหมายให้ยุบรวมเงินบัญชีฝ่ายออกบัตรเข้ากับบัญชีฝ่ายการธนาคารแล้วเอาไปใช้นี่ IMF ขณะนั้นนี่ IMF มีอยู่ 12,586 ล้านดอลลาร์ถ้าเอาเงินไปใช้จริงทุนสำรองจะเหลือ 1 9 6 3 2ล้านดอลลาร์ถ้ามองแค่นี้ก็เหมือนกับว่ามีทุนสำรองเพียงพอแต่ถ้าว่ามันก็คือมหันตภัยร้ายแรงของชาติด้วยเหตุที่ขณะนั้นเรามีหนี้สินต่างประเทศถึง 87,000 ล้านดอลลาร์เป็นหนี้ระยะสั้นถึง 22,000 ล, ล้านดอลลาร์มากกว่าทุนสำรองที่เหลืออยู่ซสีอีกสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาเป็นความเสี่ยงที่ต่างชาติจะขาดความเชื่อถือในเศรภาพ ทางเศรษฐกิจของไทยจังถึงขั้นริ่งเรียดนี่คืนเพราะมองเห็นแล้วว่าทุนสำรองเหลือน้อยไม่พอเพียงแม้กระทั่งจะใช้หนี้ระยะสั้นเห็นก็ได้ ช, ชัดว่าเศรษฐกษิจจะล่มสลายอีกครั้งที่เกิดขึ้นเห็นกับตาแล้วออสเตรเลียเจอวิกฤตเศรษฐกิจรอบสองเนื่องจากทุนสำรองเงินตราเหลือแค่ 20,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดหนี้ต่างประเทศมีถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ต่างชาติถอนเงินทุนออกจนเจ็ง สภาพเช่นนี้ถ้าไทยยุบรวมบัญชีเอาไปใช้นี่ IMF ตั้งแต่รัฐบาลก่อนก็ต้องวัดดวงเสียงกันว่าจะเดินตามกันลงเหวหรือเปล่าเดชบุญที่ได้องค์ลงตามมหาบัวยนไสัมปัโนขัดขวางไม่ยอมให้รวมบัญชีโดยใช้เหตุผลที่ท่านได้ระดมศรัทธาชาวไทยทั้งชาติทำโครงการช่วยชาติโดยลงตามมหาบัวนาทองคาเงินบริจาคส่งเข้าคลังหลวงหรือบัญชีป่ายออกบัตรนั่นเองลงตามมหาบัว จึงให้ชาวไทยที่ส่งเงินคลังหลวงใช้สิทธิยับยั้งจนสำเร็จทั้งหมดถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในแผ่นดินไทยต้องบันทึกให้รู้กันโดยเฉพาะผู้เข้าไปรู้เห็นอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ถึงขั้นพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์อันอัศจรรย์พูดไปคงไม่มีใครเชื่อเข้าขายปัจจตังหรือรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะหมู่พวกคงไม่ผิดนักแต่เหตุการณ์นี้เอง ทำเชื่อมั่นเป็นหัวใจเมืองไทยร่มเย็นด้วยสองสถาบันหลักนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนาที่มีพระอริยะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอยู่มากมายในแผ่นดินนี้หลวงตามหาบวญยนสัมปันโนท่านได้ให้อวาาในพิธีปิดโครงการช่วยชาติโดยองค์หลวงตาเอาไว้ว่า วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณว ล, ลัลย์รักอราชกุมารีได้เสด็จมาเป็นประธานในงานนี้จึงรู้สึกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้เป็นวันที่ได้มอบทองคำและดอลลาร์ที่พี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศนึกสรรพยายามขวัญขวายหามาด้วยความรักชาติ ความศีลละักด์ด้วยความพร้อมเพรียงกันเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2541จนกระทั่งถึงวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2547นี้ปรากฏผลแห่งความรักชาติความศีลละักด์ด้วยความพร้อมเพรียงกันขอท่านทั้งหลายจงรับคําชี้แจงหรือโอวทาทธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งแทรกมาในนี้นําไปปฏิบัติรัตถึงตนเองและรักตนเอง คือรักชาติศาสนาด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลดถึงธรรมติดแนบอยู่กับใจเสมอความชั่วทั้งหลายจะไม่มีโอกาสเข้ามารังควานได้ยอย่างง่ายดายเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเคยปราบความชั่วช้านามกอันเป็นภัยต่อโลกมาเป็นประจำนานแสนนานกี่กับกี่กันเฉพาะปัจจุบันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราได้ทรงปราบมารตัวมหาภัยอย่างยิ่ง ในพระองค์เองจนเรียบราบลงไปแล้วได้ น, นำธรรมนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกตลอดมาจนกระทั่ง2 5ง0กว่าปีไม่ได้จืดจางยังสดๆดร้อนร้อนคือธรรมอันเป็นมหามงคลแก่โลกจึงของให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่นับถือกราบไหว้พระพุทธเจ้าเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายได้นาไปประพฤติปฏิบัติวันคืนปีเดือนล่วงไปจิตใจกับธรรม จะได้ห่างเหินจากกันวันนี้หลวงตาจะไม่พูดอะไรมากนะักเพราะได้พูดมาเป็นเวลาหกปีแล้วเพราะความเห็นใจจากพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติไทยและศาสนาไทยของเราให้ต่างท่านต่างได้อุ้มชูขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีนี่เป็นความมุ่งหมายของชาติไทยด้วยกันเป็นความมุ่งหมายขององค์ศาสดาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเชิญ หลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านและสรุปในโครงการช่วยชาติบ่งบอกถึงความที่ทองคาได้หลอนล่าที่หลวงตามอบเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงเป็นวัตถุมงคลแห่งชาติเอาไว้ว่าณเวลานี้คงมันที่ประจักษ์แล้วว่าพระหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนเป็นผู้นําโครงการช่วยชาติประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทน ถึงขั้นสละชีวิตบวกด้วยแรงกายแรงใจของชนทั้งชาติดังมโนปณิธานของท่านที่ว่าเราเกิดมาแบบโลกเขาเกิดกันแต่เราจะตายแบบทำครองใจเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทําความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทําด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปตลอดอนันตการ หลวงตาจึงได้สร้างวัตถุมงคลชิ้นเอกคือทองคําและดอลล่าปลุกเสกเพื่อนําชาติศาสนาพระมหกศากษัตริย์มอบสิริมงคลเข้าสู่คลังหลวงคํำว่าปลุกเสกนั่นก็คือการทำให้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาท่านทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นภาพที่หลวงตามอบทองคําและดอลล่าเข้าสู่คลังหลวงพิธีการง่ายๆในสลับซับซ้อนแต่ดูขลังและศักดิ์สิทธิ์ก็คือก่อนมอบหลวงตานั่งทําสมาธินิ่งและนาน เพ่งประแสจิตลงในบาตรน้ำมนต์จากนั้นองค์ท่านจะนําน้ํามนต์นไปประพรมทองคําและดอลล่าที่มอบเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งท่าตั้งทางพิธีพิธันเป็นกรณีพิเศษด้วยผู้ชานุภาพทานุภาพสังขานุภาพด้วยจิตที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยคุณธรรมคุณงามความดีภายในที่สัมผัสสัมผันธ์ทั้งผู้ให้และผู้รับทองคําและดอลล่า สี่ทธาบริจาคยกมือขึ้นจบอธิษฐานเหนือเสียงกล้าวพลังจิตแห่งมหาทานของมวลมหาชนนำมนหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวทองคำแท่งเหล่านี้จึงเป็นของวิเศษสุดที่จะประมาณได้ด้วยพลังจิตอธิษฐานที่หลวงตาเมตตาปลุกเสกให้ก่อนทุกครั้งนั้นเป็นความหมายว่าทองคำและเงินดอลล่ารธรรมดาได้กลายเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาในทันใด เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยบุญยริ์บุญญาณุภาพของพระสุปฏิปนโยนี้เองสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญยริษ์นี้ย่อมมีฤทธาศดานุภาพขำชาติบ้านเมืองไมใ่ใครหรือผู้ใดมาคดโกงทำร้ายทำลายได้เป็นเกราะคุ้มกันภัยให้ชาติพระหนึ่งจะเป็นเครื่องเตือนสติชาวไทยว่าผู้ใดก็ตามที่คิดคดทรยศชาติผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขความจันไร บุคคลเจนไรจะต้องพินาศไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัตถุมงคลวิเศษที่ไหลเวียนเหมือนเงาติดตามตัวหมูชนทุกหมูเหล่าท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระผู้ปฏิบัติดีศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยการเอาชนะกิเลสได้แล้วนั้นแม้เพียงหินก้อนเดียวก็ยังสามารถเสษให้เป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาได้ในพริบตาหนีล้งตาเป็นพระประเภทใดเราทั้งหลายก็รู้ ท่านตั้งกิจเจตนาแผลเมตตาเต็มส่วนทองคําดอลล่าเหล่านี้จะศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาเพียงไรเรีบได้เลยว่านี่แหละคือมหาวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองสามารถปัดเป่าสนิทธิ์ใดให้ชาติไทยได้อย่างแท้จริงบัตรนี้ทองคําแท่งน้ําหนัก12ตันกว่าเนนดอลล่า10กว่าล้านดอลล่าไร่มอบก็สู่ท้องพระคลังหลวงไปที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อนโมธนาสาธุการลั่นโลกทธาตแล้วคำพูดของหลุงตาตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม่มีสองเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเหมือนเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ฉะนั้นผู้ตื่นอยู่ย่อมทราบเหตุการณ์ด้วยปัญญาว่านานาธรรมรัตนะได้หลังงรินช่วแผ่นดินไทยดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงสูนคือพระสัธรรม หลวงตาผู้มีพบสุดท้ายท่านผ่านมาเพื่อดับทุกข์ร้อนสร้างมหาทานมหากุศลอย่างวัศจันยิ่งใหญ่และท่านก็จะผ่านไปไม่อะไรบ่ายหน้าไปไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตการดังคำพูดขององค์หลวงตาที่กล่าวกับบรรดาสิทธ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2551ว่าเราก็กำลังจะอายุเต็ม95ปีวันที่12สิงหาคม ปีพศกร2551นี้แล้วเวลานี้อ่อนมากนะไปไหนมาไหนอ่อนเดินโซซัดโซเซไม่เหมือนแต่เก่าแล้วเดินมานี้ก็อ่อนมันหมดกำลังของมันแต่จิตใจไม่มีวัยไม่อ่อนสงญาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานิพพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนชาตินี้เป็นชาติที่เราได้ช่วยชาติบ้านเมืองเราช่วยทุกแบบทุกฉบับเราไม่เอามีเท่าไหร่เท่าไหร แม้เข้ามาในวัดนี้ก็นําออกไปช่วยโลกให้หมดมี่ของมากน้อยเข้ามาในวัดนี้แจกไปหมดไม่สั่งสมอะไรอยู่ไปกินไปวันหนึ่งเพราะยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อได้ประกอบความภาคเพียรเท่านั้นก็พอด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลกหลงตายังสงเคราะห์ต่อไปัยเต็มกว่าชีวิตจะหาไม่และชีวิตล้มลลายตายลงไปแล้วปัจจัยทั้งหลายที่มหาชนศรัทธานํามาถวายในงานศพในอนาคต ท่านมีพินัยกรรมให้ซื้อเป็นทองคำทั้งหมดเพื่อนำมอบเข้าสู่ท้องพระคังหลวงให้เป็นสมบัติของชาติเป็นทุนของลูกหลานสืบต่อไปนี่คือหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์บอกเรื่องราวแห่งชีวิตพระอระหันต์ที่ยังทรงธาตุขันให้สัตว์โลกได้ชื่นชมบารมีบาทพิธีที่ท่านก้าวย่างผ่านไปย่อมนาความสงบสุขและแสงสว่างมาให้แก่สัตวโลก ตลอดอนันตกาล